คุณฟังที่กรบคะฟังพระสูตรแล้วฟังกันมาบ่อยๆเริ่มคุ้นชินกับวิธีตรัสของพระพุทธองค์แล้วใช่ไหมคะยิ่งฟังยิ่งทราบซึ้งบทเดิมๆเนี่ยคะ่ะเพราะว่าในการฟังแต่ละครั้งเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันคุ้นเคยกับวิธีการตรัสของท่านมากขึ้นและจะยิ่งดีมากขึ้นถ้านำเอาไปปฏิบัติ ด, ด้วย ตามที่ได้ตรัสสอนเอาไว้นั้นนะคะนั่นคือพระมาชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกาคลองสิบใครสนใจอยากจะได้บทพยัญชนะนั้นไปศึกษาท่านติดต่อมาที่02269 0006นะคะทางสถานีวิทยุครอบรครัวข่าวก็จะดำเนินการจัดส่งไปให้โดยมีพระอาจารย์คึกฤทิ์โสิพโลท่านเจ้าวัดวัฒนาปะพงลำลูกาคลองสิบมลาคาที่เป็นผู้เมตตามอบหนังสือเหล่านี้มาให้กับท่านทั้งหลายนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ศึกษาพุทธวชนะอย่างเข้มข้นเหมือนกันแล้วก็ได้นําไปสู่การปฏิบัติจนชัดเจนในการที่จะนําเอาพุทธวชนะนั้นมาเปิดธรรมที่ถูกปิดขึ้นมาตอบคาถามต่างๆของท่านทั้งหลายนะคะเรามาพบกันเลยค่ะกับพระภับูร์อภิปุนโนท่านอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเยมวัสน์รการทั้งคะเยี่ยพร วันนี้เรื่องพุทธชีวนตีน ะ, ะจะมีอะไระสักไหมค ะ, ะก็คือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเวลาแสดงธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยน ะ, ค, ะคนเนี่เป็นร้อยเป็นพัน 1, เลยเนียพระเยอะมากคราว่าเยอะมากก็ก็มีหรือบางทีก็แค่คนคนเดียวก็มีเนีเพราะฉะนั้นโอกาสที่พระองค์จะแสดงธรรมเนี่ยคือมีทุกโอกาสเดินเดินไปเนี่ยบางทีก็เดินไปตามถนนยังไงนะคุณโยมติวพระเนี่ยตามกันเป็นปรนปรนเดินไปเนี่ย หยุดกึกแล้วก็เอามือไปล้วงไปเกี่ยดดินขึ้นมานิดหนึง่งก็สอนแล้วว่าเนี่ยอ่ะพิสูจน์เท่ายหร่ดูสินะเศษดินที่ติดเล็บเราอยู่กับเพียบเปียบกับพื้นปฐพีทั้งหมดอันไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็สอนได้บางที่เดินเดินไปริมแม่น้คนคําคงคาอย่างเงี้ยเอาเห็นก้อฟองน้ําก้อนใหญ่เลยมาอ่ะก็ดูสิเธอฟองน้ำนี่อันไหนมีสาระมาอยู่ข้างในก็ไม่มีอย่างนี้ก็มีค่ ะ, ะซึ่งเราก็ จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้ทุกโอกาสทุกวิธีนั้นในการสอนที่ว่าพอจะสอนได้น ะ, ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีแหะเราก็ให้มีความมั่นใจว่าโอพระพุทธเจ้านีา่สอนทุกอย่างทุกขณะ น, นี้เราก็ควเจะเาความรู้ตรงนี้มาคอยที่จะรับฟังข้อมูลให้ถูกต้องนะค่ะเท่ากับว่าทรงเป็นครูความเป็นครูของพระพุทธองค์นั้นยิ่งใหญ่อย่างไรกันนะคะ เออเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่านะฝึกตรงนี้คือฝึกออกมาทุกคนเนี่ยดีหมดทุกคนแล้วนะอย่างสมมติว่าเวลาที่เดี๋ยวอามาขออนุ ญ, ญาตเนาะหยุดสักก่อนนะค่ะเนี่ยนาทีนาทีที่3นะเดี๋ยวอาจจะมาต่อนะค่ะคือใครกันฝึกบุรุษนะเออรุทาเนี่ยสามารถฝึกบุรุษบุรุษที่ฝึกออกมาเนี่ยเอ่อเป็นบุรุษที่เหมือนกันหมด เหมือนกันหมดเนี่ยผู้เช่าเคยบอกไว้ว่าเหตุใดเหตุทําไมเราถึงได้เป็นผู้ที่ชื่อว่าผู้ฝึกบุรุษที่สามารถฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าแต่เพราะว่าอย่างผู้เจ้าอย่างเปรียบเทียบของ เ, อเขาเรียกว่านายฝึกนายฝึกช้างนายฝึกม้าเนี่ยนะอย่างนายฝึกม้าเนี่ยก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะฝึกม้าทุกตัวเนี่ยให้ไปทางเหนือตะวันออกตะวันตกที่ใต้ได้ตามที่สั่งนะเช่นเดียวกันผู้เจ้าเนี่ยสามารถที่จะฝึกบุรุษเนี่ย ให้เขาไปในทิศทางที่สูนิพานได้ทุกคนก็จะมีจิตที่อยู่ในชานหนึ่งละนิวรณนได้ลักษณะนี้เหมือนกันหมดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการฝึกปุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าฝึกแล้วได้ผลองมาเหมือนกันเปะเหมือนกับแกะแม่พิ์ออกมาเลยนะค่ะ<ช>แล้วก็ถ้ามองมุมเล็กๆที่ท่านได้ยกตัวอย่างว่าพระพุทธองค์เสด็จไปที่ไหนมีตัวอย่าง อะไรที่จะประกอบกับคําสอนได้ท่านกระสงสอนได้อย่างนี้เนี่ยนะคะยังคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูเหมือนกันเพราะาบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวว่าคุณครูว่าไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนดิฉนันก็นึกถึงโรงเรียนสมัยใหม่ล้ําหน้าไปกว่าโรงเรียนในระบบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีว่าสอนจากธรรมชาติรอบตัวง่ายๆอย่างเช่น ปลูกข้าวในนาเนี่ยนะคะสามารถสอนได้ครบทุกวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษวิชาประวัติศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาภูมิศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์อืมใช่ใช่ค่ะก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดีออค่าทรงเป็นตัวอย่างตัวอย่า ง, างตัวอย่า ง, างที่ดีอืมท่านคะทีนี้มาถึงเรื่องที่จะสนทนากับท่านก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารเหมือนกันนะคะข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งอายุสามสิบเศษเศษก็โชคร้ายท้องแก่สามีทิ้ง oh. หลังน้ำท่วม oh. หางานทำไม่ได้เพราะพอจะไปทำงานเขาก็ว่าท้องแก่เกินไปซะแล้วหรืออีกสองเดือนจะคลอดเธอก็อ้างหลังจากที่ถูกจับได้หลังจากที่ไปทำความผิด oh. ที่คนก็ไม่ไปทำกันนะคะคือไปขโมยเงินพระ oh. เอากันไกลไปงัดตู้เงินของพระโดยมีลูกสิบ ขวบเสร็เเนี่ยอยู่ข้างๆด้วย อ, อ, อันนี้เป็นการกระทำครั้งที่สองแล้วก็ถูกจับได้อีกอค่ะก็ก็น่าเห็นใจเหมือนกันเนา ะ, ะเธอก็บอกจะทำเพื่อลูกพูดถึงแม่กับลูกเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันเป็นความรักเป็นสายใยที่แน่นหนามากแล้วก็ดูจากสถานการณ์แวดล้อมที่เธอบอก อย่างนี้เนี่ยมีข้อยกเว้นไหมคะในการที่จะประพฤติผิดศีลข้อที่สองนะท่านคะข้อยกเว้นนี่คงจะไม่มีนะเพราะว่าถ้าถ้าคุณขโมยคุณมีสิทธิ์ที่ตั้งใจจะขโมยงไงคุณจะต้องได้รับผลของกรรมทีนี้ว่าอย่างเวลาที่เรามีปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเราเราสามารถใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งนะถ้า <คะ S 2> เป็นที่พึ่งเนี่ยเวลาที่เราลําบากเราไม่รู้จะไปทางไหนมืดแปดด้านเนี่ยคุณใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ถ้าเราใช้เป็นที่พึ่งจริงเนี่ยเราจะไม่ขโมยน้ำพระเจ้าบอกว่าไม่ขโมยห้ามขโมยใช่ไหมทีนี้เราก็คงจะต้องไปติดต่อกับ ส, สถานสงเคราะห์หรือว่าติดต่อกับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานไหนสสออะไรเขาช่วยได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้อเพื <c oughs> ่อเป็น <c oughs> <า>ระบบที่ถูกต้องอนะ <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้ก็คิดอยู่ว่าไปพึ่งไงพึ่งเงินวัดอแต่ไม่บอกอย่างไรก็ตามเราก็เห็นใจอนะเห็นใจเพราะงั้นก็คงจะต้อง แก้ไขไปตามเหตุค่ะสุดท้าย<ม>แล้วกรณีนี้ดูเหมือนกับว่าพระสงฆ์ท่านก็เมตตามากท่านยกโทษให<ม>้เป็นครั้งที่สองอ๋อแล้วก็<ม>อบรมกันตายนะคะเรปานตัวเธอเองก็ดีใจแล้วก็สัญญิงสัญญาเพระบอกว่าอย่างไรเสียก็ไม่อยากให้ลูกคนที่สองเนี่ยคลอดออกมาในคุกอืมเนอะค่ะสรุปประเด็นนี้ก็คือว่าศีลไม่มีข้อยกเว้นไ ม, มไม่ว่าจะอ้างว่าจาเป็นอย่างไรใช่ แล้วก็การปฏิบัติตรงนี้คือยังไงก็ต้องได้รับผลของกรรมคือการกระทํำยังไงก็ได้รับผลของกรรมก็คงจะต้องค่อยๆไขไปแหละมาว่าค่ะบางครั้งเวลาที่ไปเจอคนซึ่งเขาอาจจะแกล้งถามคําถามเราเพื่อให้เราตอบลาบากเช่นถามเรื่องกรรมอย่างเงี้ยนะคะคที่ฉันไปเจอในแพทย์คนหนึ่งหนุ่มๆก็บอกพี่ครับแล้วว่าด้วยเรื่องของกรรมทําปุ๊บแล้วมันเกิดตอนไหนล่ะครับอืม ผลของกรรมใช่ไหมผลของกรรมยังมีอยู่สามระดับะระดับแรกเนี่ยคือเกิดในทันทนีระดับที่สองก็คือเกิดในเวลาต่อมา<ช>แล้วถัดมาอีกก็คือเกิดในเวลาต่อมาต่อมาอีกอย่างนี้นะคือเหมือนกับว่ามันมีทั้งที่เกิดทําปุ๊บเกิดปับ๊บทาปุ๊บยังไม่เกิดปับ๊บยังอีกสักระยะหนึ่ง <Okay. S 2> กับ อกสักระยะหนึ่งนี่มันอาจจะแบบว่ายาวนานแต่อยู่ในชาตินี้พบนี้ก็ได้นะคยกยกตัว อ, อ, อ, อ, อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าอย่างเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเกิดชัดเจนเลยก็คือว่าเราจิตตราสงบเลยเราได้ผลเดียวนั้นเพราะเนี้นเป็นข้อดีของสมาธิที่คือผลในทิฏฐธรรมนะทิฏฐธรรมนี่คือเดียวนั้นปัจจุบันนั้นส่วนในเวลาต่อมาต่อมาอย่างสมมุติว่ า, เ, าเราไปเรียนหนังสือ เราตั้งใจเรียนเราอยู่ในสวนนุสิการเราทําไปทําไปเออผลเนี่ยอากจะสักปลายปีเราสอบผ่าน อ, อันนี้เป็นผลในเวลาต่อมาค่ะใช่ไหมผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกคุณตั้งใจเรียนหนังสือวิชานี้คุณจบเอาไว้คุณมีเงินมีงานทําอ่าตรงเนี้ยคือผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกผลก็จะมีสามระดับอย่างนี้สาธุเลยนะคะทีนี้ที่ดิฉันพูดไกลเน่ยเพราะว่ า, าศาสนาพูดไม่ก็เชื่อเรื่องเกิดอีกนะคะ อ่าก<ช>็จึงพูดเลยไปถึงว่าเราก็มาจะพูดเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยพอที่จะเข้าข่ายในผลระยะสามที่ท่านว่าไหยคะเ อ, อก็ใช่เหมือนกันคือสามารถข้ามชาติได้ข้ามภพข้ามชาติได้แน่นะคะคือคื อ, ค อ, อที่ทอาจรมายกตัวอย่างนี่ยคือว่าเห็นเในชาติปัจจุบันนี้นซึ่งผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกเนี่ยอาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้ค่ะก็เพื่อที่จะให้ เข้าใจด้วยว่าการเกิดแล้วเป็นทุกข์อยู่ร่ามไปเพราะมันก็เกิดอีกร่ามไปได้อ mm ื hmm. แต่อะไรก็ตามตัวอย่างของท่านเนี่ยต้องสาธุเลยนะคะชัดเจนมาก mm hmm. ว่าผลของกรรมเกิดขึ้นอย่างไรแหมเสียดายลูกนี้มาฟังท่านก่อนไปตอบคุณหมอนั่นก็ดี mm hmm. เพราะว่าตอบไปยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ mm hmm. แต่ดิฉันก็ตอบไปในทํานองนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าอาจริงๆแล้วเนี่ยกรรมถ้าจะว่ากันไปผลของการกระทําต่างๆ มันปรากฏที่ใจก่อนอื่นแล้วก็โยงไปถึงที่มีคำกล่าวของคนไทยนะคะว่าสวรรค์นในอกนรกในใจเนี่ยยังก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิด อ, อย่างไรแค่ไหนท่านคะออกแบบนี้ค่ะอ๋อนี่คือถ้าสวรรค์นในอกอนกล่าวนี้ค่ะสวรรค์นในอกนรกใ น, ในใจนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วผู้เชา่าเคยพูดถึงนรกนะที่เป็นอิัตนะนารก แล้วก็เคยพูดถึงสวรรค์ในกรณีที่ของเป็นอิต น, นาสวรรค์<ม>ก็คือว่าถ้าเราเจอแต่พัสดุที่ไม่น่าพอใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพวกนี้คือเป็นอิต น, นาเป็นนรกคือในนรกเนี่ยจะมีแต่พัสดุที่ไม่น่าพอใจนะ<ม>แล้วก็ถ้าในสวรรค์ก็จะมีแต่พัสดุที่น่าพอใจตาก็น่าพอใจหูก็น่าพอใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจน่าพอใจอคุณอยู่ในสวรรค์ละอือค่ะนะคะ ดังนั้นในที่นี้ดิฉัก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะคําว่านรกสวรรค์แล้วมีคําว่าอายตนะประกอบด้วยอืมอันนี้เป็นพุทธวิชชานะนะอายตนะในที่นี้แปลว่าผัสสะได้เลยไหมคะเอ่อก็ใช่ใช่คือผัสสะเนี่ยทําให้เกิดอายตนะไงเออเ<อ>พอาะไปอายตนะทําให้เกิดผัสสะค่ะนะครับมันอ่าเป็นเป็นองค์ประกอบของการทําให้เกิดผัสสะใช่ค่ะให้เกิดสัมผัสแล้วท่านจะได้สัมผัส ความทุกข์สมมติว่าแม่มันกลุ้มใจมคนที่กลุ้มใจเนี่ยต้องบอกว่ากําลังอยู่ในอายตนะนรกใช่อย่างนั้นนะคะอยู่ในนรกอยู่ในใจละอันนี้เราเคยยกตัวอย่างไปแล้วสองกรณีมาที่ว่าในโลกนี้ในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนะจะมีเด็กคนหนึ่งที่เขาเกิดมาเสร็จแล้วก็เจอแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ในสมมติเด็กในแอฟริกาอย่างเงี้ย อ, อ, อาทิตย์หนึงกินข้าวแค่สองครั้งจะมาเป็นขอทานด้วยตื่นเช้ามาก็ถูกพ่อเตะให้ลุกขึ้นมา แล้วก็ให้กระเบื้องขอทานไปไปขอทานตามสนุนหนทางข้าวก็ไม่ได้กินขอทานก็ไม่ได้เดินไปเตะหินอีกนะเท้าก็แตกแล้วก็เธอไอ้พวกนักเลงทําร้ายนะขอเขาก็ถูกเขาด่าเขาว่ากลับมาบ้านไม่ได้อะไรมาเลยพ่อก็ด่าอีกนอนทั้งน้ำตาอย่างนี้คุณมีแต่นรกอยู่เต็มเต็ม <c oughs> อย่างไรก็ตามเด็กคนนี้แนละก็ยังมีความสุขบ้างนิดหน่อยตอนที่ว่าเวลาเขาปวดปัสสาวะเขาไปชี่ การประชีพเสร็จพอเสร็จละเกิจแล้วเนี่ยก็มีความเบาสบายขึ้นมานิดหนึ่งนั่นแหละคือความสุขระหว่างความสุขคือความทุกยังมีความสุขระหว่างแต่ใ น, นนรกเนี่ยมันมีนรกประเภทที่มีแต่นรกมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขระหว่างเลยนั่นคืออเวจีมหานรกคือนรกที่ไม่มีความสุขระหว่างไม่มีความว่างเว้นของไฟนรกที่มันไหม้อยู่ตลอดเวลาอเพราะฉะนั้นอย่าไปเลยนะคะเป็นเด็กที่พ่อเตะบ้างอะไรบ้างยังมีโอกาส ฉี่สบายๆแล้มีความสุขอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ก็จะเป็นกรณีเปรียบเทียบกันตรงกันข้ามนีว่าอย่างสวรรค์อย่างเงี้ยเราพูดถึงสวรรค์คือสถานที่ที่น่าพอใจใช่ไหมอาย<ช>ุตัว อ, อย่างคนคนหนึ่งนะตื่นเช้ามามีอาหารการกินเพียบพร้อมขับรถไปทํางานที่บ้านรถก็ขับรถจากบ้านไปทํางานรถก็ไม่ติดนะไม่มีใครมาขับปาดหน้าไปถึงที่ทํางานทุกคนก็แฮปปี้นะพูดจากันอย่างดีงานก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กลัมาถึงบ้านก็มีอาหารให้กินโอ้ยมีความสุขความสบายมากเลยก็มีคนรักด้วยนอนไปทั้งยิ้มตลอดเวลานะค่ะปร่เด็ น, นเป็นค่ะประเด็นก็คือว่าเขามีความสุขตลอดอย่างเงี้ยเขายังมีความทุกข์ในระหว่างนะคือเวลาที่เขาต้องไปห้องน้ำอย่างเงี้ยเขาจะปวดปว ด, ปวดหนักปวดเบาเนี่ยเป็นความทุกข์นะค่ะอ่าซึ่งในสวรรค์ไม่มีพวกนี้คุณมีความสุขตลอดคุณไม่ต้องมีความทุกข์ ค, ความทุกข์ของคนที่อยู่บนสวรรค์ก็คือว่าตัวเองจะตายเท่านั้นเน่ยตรงนั้นจะเป็นช่วงที่จะต้องมีความทุกข์บ้างแต่ในระหว่างวันเนี่ยมีแต่สบายแฮปปี้ตลอดค่ะทิ้งคิดว่าเปรียบเทียบแบบอ่าทายนักท่ายเบาแล้วเจ็บปวดเนี่ยมันยังไม่โดนใจมันยังไม่รู้สึกขยาดนะคะสงสัยจะต้องยกไปยอดยกยอดไปวันพรุ่งนี้หรือเปล่าคะสามนาทีที่เหลือนี่อาจจะไม่พอนะคะเพื่อไปถามว่ามันก็น่าจะอยู่นะคะ ในความสุขแบบนี้ก็คือว่าความสุขแต่มีความทุกข์นิดๆหน่อยๆไง ค, ความทุกข์ที่เกิดจากไปเ ข, ข้าห้องน้ําแค่นั้นเองค่ะแต่ที่ท่านกำลังบอกว่าก็ไม่เห็นหน้าเข็ดกลัวเลยถ้าไม่งั้นก็อยู่กับความสุขแบบนี้ก็ได้ <laughs> เพราะมันนิดๆหน่อยๆเองความทุกข์<ช>จริงๆแล้วมันมีมากกว่านิดหน่อยหรือเปล่าจะค่อยมาจำเป็นจะต้องคุยต่อไหมคะก็ก็คิดว่าประเด็นนี้ก็จบไปแล้คือเป็นการยกตัวอย่างของนรกกสวรรค์ที่อยู่บนโลกนี้ให้ทาเฉย งั้นก็ไม่เคร่งเครียดมากไม่เคร่งครัตมา ก, มมากแต่ส่วนจะไปสนทนาแบบไหนแล้วจําเป็นจะต้องมาวนเวียนอยู่แถวนี้อีกอันนั้นก็สุดแท้แต่เหตุปัจจัยวันนี้นาะมาส ก, การขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นปอย่างยิ่งเลยนะคะเจนานค่ท่านฟังที่ครบค่ดูเหมือนที่ฉันจะใช้เวลามาค่อนข้างแน่นเอียดเลยคงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับรายการสัมสีน์สนทนาดําเนินรายการโดยสัมสีนีนาคพง์ทางสถานีวิทยุเอฟเอ็มครอบครัวข่าว พบกันใหม่ในวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ